ผู้ที่พิจารณาอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะพิจารณาชราและมรณะเนี่ยถ้าพิจารณามากๆโดยมากจากเหมือนกันหมดคือสัพพะโลเกนะพิราตาสัญญานี่จะเข้ามานะถ้าใส่ใจเรื่องชราและมรณะมากๆเนี่ยนะโลกทั้งปวงมันก็ไม่น่ายินดีอะไรไม่น่าเพลิดเพลินอะไร ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตมันเหมือนกับว่าไอาการเป็นอยู่ในโลกเหมือนแห้งแล้งเหลือเกินแต่ที่จริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าใครที่พิจารณาอย่างนั้นนะก็เชื่อว่าพิจารณาถูกไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรทำไมจริงเรียกว่าพิจารณาถูกก็เพราะว่าโลกทั้งมวลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือคือโลกทั้งปวงเนี่ยนะสัพพสังขารโลก เป็นไปกับชราและมรณะอันนี้คือธรรมชาติของเขาในผู้ที่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพอคิดถึงสังขารใดๆใจก็ไม่เพลิดเพลินละลึกไปถึงสังขารใดมันก็ไม่มีฉันทราคาแบบแบบแนวเดิมๆทีนี้เมื่อคิดถึงอะไรมันเหมือนก็คิดถึงแต่ความร้อนไปหมดเลยเนี่ยทำอย่างไรจึงจะเย็นนั่นละอันนี้ะคือคือโจทย์ที่ที่ต้องเอามาไข้ควร แต่ที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเราคิดอริยสัจไม่รอบเห็นไหมชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธาคาไมนีปฏิปทาผู้ที่พิจารณาชารามรณะมากๆเนี่ยนะจิตของเขาเนี่ยจะโอนไปหาชารามรณะนิโรธอันนี้คือโดยธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้น ธรรมชาติของจิตที่พิจารณาชารามรณะมากๆจะต้องน้อมไปหาชารามรณะนิโรธแต่ถ้าจิตไม่น้อมไม่ไปคิดถึงชารามรณะนิโรธเนี่ยแสดงว่าเราพิคิเรื่องอริยสัจโดยมุมเดียวโดยเหลี่ยมเดียวซึ่งไม่เพียงพอที่จะเพื่อความพ้นทุกข์อะไรนเหมือนกับว่าเราคิดแต่ปัญหาโดยไม่คิดถึง วิธีแก้ปัญหาเราคิดถึงแต่โรคไม่คิดถึงความหายโรคฉนันใดการที่มองอริยสัจก็เหมือนกันถ้าไม่พยายามคิดถึงอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยนะให้ครบทั้ง4ประการเนี่ยมันจะมีปัญหาเหลื่อมล้ำกันในลักษณะนั้นพนผู้ที่เขาเจริญผู้ที่เขาพิจารณาชรา ม, มรณะมากๆ เ, เห็นเลยก็คือความเพลดิดเพลินในชรา ม, มรณะลดลง ทีนี้สำคัญก็คือบอกถามว่าจิตของเรานึกน้อมไปเรียกว่าพยายามคิดถึงชาามรณนิโรธไหมแล้วก็เห็นไหมว่าชาานิโรธาคา ม, มินีปฏิปทานเนี่ยเป็นตัวที่นำเราออกจากชราและมรณะทั น, น, นในระดับสูงเขาบอกว่าเจริญสัมมาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละ นึกนึกไว้อย่างนี้นะสี่ประการชารามรณะนี่นะชารามรณะสมุทัยนั่นระอัปปวัตตะคือความไม่เป็นไปแห่งชาราและมรณะเป็นชารามรณะนิโรธเนี่ยนะ ตัวชรามมรณะนิโรธนัน่ะเป็นเป็นวัตถุประสงค์ในการหมายความว่าตัวชรามมรณะเนี่ยเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตของปัญญาที่เจริญวิปัสสนาใช่ไหมในเมื่อเขาพิจารณามากๆเนี่ยเขาจะมองเริ่มเทียบเคียงระหว่างวัตตะกับวิวัตตะนั่นไงคือคือ ไอความคิดช่างใจในลักษณะนี้ต้องสูงว่าความที่เราคิดถึงชรามรณะชรามรณะเป็นตัววันไหวใช่ไหมธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติที่หวันไหวก็ไปคิดอีกมุมหนึ่งว่าถ้าดับชรามรณะได้ไม่หวันไหวอันเนี้ยนะเนี่ยนะ ความดับชราและมรณะนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวเพราะนั้นก็เมื่อใส่ใจโดยชรามรณะมากๆสิ่งที่ต้องคิดก็คือ น, นิทคิดในแง่ตรงกันข้ามเมื่อคิดในแต้แง่ตรงกันข้ามมากๆเนี่ยนะปัญญาตัวตัววิปัสนาเนี่ยนะตัววิปัสนาที่ไปพิจารณาชรามรณะเนี่ยพอพิจารณาชรามรณะเท่าไหร่นะมันจะโอนไปหานี้มากเท่านั้น ที่พระองค์บอกว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยนะไหลบ่าไปสู่ทิศประจีนใช่ไหมเพราะแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลบาเพื่อลงสู่ทะเลฉันใดผู้ที่เจริญสัมมาทิฐิหรือเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฐิก็ฉันนั้นจิตของเขาจะโอนไปสู่อมตะฉันนั้นเนี่ยนะเขาจะโอนไปหาธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวพันอ่าเรียกว่าต้องหมั่นคิดในในแง่นี้ให้มากมากมาใส่ใจถึง ชรามรณะกับชรามรณะนิโรธคือมามามองตรงกันข้ามแบบนี้บ่อยๆก็เรียกว่าชรามรณะนี้เป็นเป็นภัยใช่ไหมชรามรณะนิโรธนี้ปลอดภัยเนี่เอ่อเคยเรียกว่าพยังกับเขมังปลอดภัยก็คือกเกษมนะเขมะ เขมากเกษมเนี่ยนะว่าชรามรณะนี้มีแต่ภัยรอบด้านมันมีแต่ความแห้งแล้ ง, งมีแต่ความกันดารแต่ว่าชรามรณะนิโรเนี่ยปลอดภยัยเกษมชรามรณะนั้นเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นทุกข์นีนะชรามรณะนิโรดเป็นเป็นสุขนะ ชรามรณะเนี่ยมีอมิตรนะมีอมิตรก็คือมีเหยื่อล่อมีเครื่องล่อเต็มไปหมดเลยชรามรณะนิโรธไม่มีอมิตรนะหรือนิรามิตรก็ได้พวกการนี้ได้บาลีเยอะแล้วนะได้ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งอนาคตสมองไม่ฝ่อแน่นะ เขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าพวกสมองฟอคืออายุมากๆไม่ยอมใช้ความคิดเขาว่าไ ง, งแล้วเขาบอกว่าคนสูงอายุนะถ้าไม่อยากสมองฟอมีวิธีหนึ่งบอกไปเรียนภาษาต่างประเทศทางแพทย์เขาแนะนำนะนี่ของเรามาเรียนธรรมะเนี่ยคุณนายไม่ฟอแน่นอนบอกใช้ความคิดมาก่ยนะ <c oughs> พ่า อ, อะไรพ่อเลือดมันไปเลี้ยงสมองขึ้นเยอะมันใช้ความจําใช้อะไรขึ้นเยอะสมองมันเลยไม่เนี่ยไม่มีโอกาสฝ่อว่านั้นมันลืมฝ่อไปเลยนี่ต่อไปนะว่าชรามรณะเนี่ยนะเป็นสังขารเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งตลอดเวลานะความดับชรามรณะเป็นนิพพานมีสี่คำเนี่ยนะที่เรียกว่าจะต้องเอามาชั่งให้มากๆ เป็นการชั่งสองฝ่ายถ้าถ้าไม่ชั่งทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะถ้ามาคิดอยู่เฉพาะแค่ตรงนี้ถามว่ามันแห้งแล้งใช่ไหมบอกใช่ใครคิดเรื่องชรามรณะมากๆนี่มันแห้งแล้งเต็มทีนไอ่าสิ่งที่ถูกปัจจัยตรงแต่คือมันตรงกันข้ามกับนิพานคือสังขารตัวนี้ก็คือสังขตะสังขารก็คือสังขตะอันเดียวกันเห็นไห นิพพานก็คื อ, อสังขตะ น, นะนะทนจะต้องจิตมันจะต้องให้มันโอนไปในลักษณะนี้พวกตัวนี้คือตัวเจริญอันนี้เรายกยกมักหนึ่ ง, งขึ้นมาใช่ั้มที่เรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยยกวิปัสนาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวที่ที่มาพิจารณาแต่ว่ามักเดียวพอไหม เนี่ยนะทีนี้เมื่อเมื่ อ, อผู้ที่เจริญวิปัสนาใช่ไหมว่าอนนะพอทบทวนได้ว่าภพภูมิทั้งปวงล้วนแต่เป็นชาราและมรณะสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะอดีตอนาคตทั้งหมดนั้นก็คือชาราและมรณะบุคคลเมื่อพิอพจารณาอย่างนี้มากๆเข้าความเพลดิดเพลินในชารามรณะก็ลดลงก็ก็ไม่มีความเพลดิดเพลินใน ชราและมรณะเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าชรามรณะเป็นของร้อนใช่ไหมถ้าดับชรามรณะได้ก็ก็เย็นเพราะในระดับสูงก็เริ่มมาคิดแล้วว่าโอ้โหชรามรณะนี่มีภัยอยู่รอบด้านมีความน่ากลัวอยู่รอบด้านแต่ถ้าดับชรามรณะได้มีแต่ความปลอดภัยโดยส่วนเดียวชรามรณะเนี่ยมีแต่ทุกข์เนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ได้ถ้าดับชรามรณะได้ เป็นสุขอย่างยิ่งนะชรามรณะมีแต่อมิตรนะเป็นเครื่องล่อของพญามารเหมือนกับเรากินเบ็ดอยู่ตลอดเวลาถ้าดับชรามรณะได้ไม่มีอมิตร น, นี่ยนะไมะ่ธรรมชาติที่สงบประงับนั้นอ่ะไม่เป็นเหยื่อของมารชรามรณะเป็นสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งโลกของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือมันหวานไหม เพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจิตมันก็วันไหวไปด้วยใช่ไหมมันก็นิพพานนี่เป็นครับว่านิพพานที่ไม่หวันไหวนั่นแหละเป็นอสังขตะพันจิตเขาจะน้อมโอนอปัญญาพิจารณาชรามรณะอย่างนี้จริงแต่แต่ธรรมชาติของปัญญานี่โอนไปสู่นิพพานนี่นะโอนไปสู่นิพพาน ก็คุณเคยเอาเอาจิตไปคิดเรื่องคนอื่นไหมแต่าถามว่าคนอื่นเนี่ยมันเข้าปกติตลอดไหมเราคิดถึงแต่สภาพสิ่งที่ที่มันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่ามันวันไหวเหมือนอะไรก็บอกมันเหมือนหุ้นเลยเพราะมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นแหละมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเข้าไปทำงานอยู่ในตลาดหุ้น เขาบอกไอ้หุ้นเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็บอกว่าไอ้คนที่ไปดูหุ้นเนี่ยมันจะป่วยให้ได้เลยนะเราะข่ามันไม่มีคงตัวนะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาท่านถามว่าเอาจิตไปไว้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนตลอดมากๆอย่างนี้มันแปรปรวนตลอดแบบนี้เนี่ยถามว่ามันสนุกไหมนะมันวันไหวไหมท่านธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้สังขารทุกชนิดเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าถ้าเราเราไม่ไม่เข้าไปมีอภิชากับโทมนัสในในสังขารนะ จะรู้ว่าโลกของสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันวันวนัยนะคําว่าวันวัยหมายความว่ามันไม่มีเสถียรภาพอ๋อ น, น, oh นี่แหละของมารู้แล้วว่ายาตะปริญยามันอ่อนพอคุยระดับตาหานะปริญญาเลยงงอันนี้ไม่ไม่แปลกอันนี้ธรรมชาติเขาจริงๆนนไม่ไม่แปลกใจอะไรเธอถามที่ที่เป็นอย่างนี้นะอ้าย้อนใหม่นะเอายาตะปริญญาใหม่ ชารามรณะคืออะไรชารามรณะก็คือที่เราเรียกว่าเนี่ยที่นั่งกันอยู่ 20! 3สบสสิคนเนี่ยชารามรณะทั้งนั้นเลยทีนี้องค์ประกอบของชารามรณะคืออะไรก็คือขันหรืออายตนะก็ได้หรือาธาตุก็ได้ น, นะก็คือชาราและมรณะใช่ไหมชารามรณะเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้น ทุกอย่างล้วนแต่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นอะไรชารายกตัวอย่างนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกถ้าพิจารณารูปประขันแบบมหาพูดนะนะก็ผมขนเล็บฟันหนังถ้าอะไรตายก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันหมดสภาพสิ้นสภาพไปก็เรียกว่าตายนี่ถ้าถ้าเอามหาพูดนะถ้าเอาภาษายตนาหกชาราคืออะไร ตาเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นหูมันก็ไม่ค่อยได้ยินจมูกมันก็สิ้นสภาพลิ้นก็รับเลิกอร่อยกายก็ปวดไปหมดยกก็ไม่ได้ยกเท้านะั้นมันไม่ยอมมันงี้นะเมื่อวานระโยอมอ้วนด้วยแล้วก็ต้องนั่งกับพื้นด้วยไม่น้าเขาไม่ค่อยอยากไหวพัก็มันอย่างนี้แหละนะนต้องนั่งกับพื้นด้วโอ้กว่าจะลงนั่งได้นะทรมานเหลือเกินกว่าจะลุกได้อีกรอบหนึ่งก็ออ้นานมากเป็นนาทีเลยที่ที่เขาทําบุญเน้ย แล้วก็เนี่ยคือชรามรณะมันเป็นอย่างนั้นนะตัวชราเนี่ยนึกตรงไหนมันก็ปวดไปตรงนั่นไปหมดก็กะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตัวชรามรณะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานได้พูดถึงสามอย่างใช่ไหมหนึ่งถ้าปัญญาน้อยที่สุดก็คือพิจารณามหาพูดสี่สิบสองโดยอาการสี่สิบสองนะผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกยในกระดูกตายหัวใจตับพังผืดม้ามปอดพวกเนี้ย บอกปัญญาน้อยที่สุดแล้วปัญญามากกว่านั้นอีกก็ภาษายตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายใจน่นะปัญญามากกว่านั้นอีกก็คือพิจารณาขันจริงๆก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้รัสมีอนุภาพของปัญญาที่ไปส่องไม่เท่ากันเปรียบเหมือนอย่างว่าคนสายตาสั้นก็มองได้แคบใช่ไหม แต่ว่าเขามองไม่เห็นก็ไม่ใช่แต่มันสั้นเกินกว่าที่จะมองเห็นไกลๆฉันใดผู้มีปัญญาพิจารณาชรามรณะก็เหมือนกันบางคนเนี่ยแก่คือไรแก่ก็ตายคือไรก็บอกเนี่ยผมงอเป็นต้นเนี่ยฟันรูดฟันร่วงเป็นต้นก็รู้ไม่เท่าไหร่บางคนก็บอกโหเนี่ยนะตาก็เสื่อมลงหูก็ฟ้าลงเขาก็จะรู้ซึ้งขึ้นไปอีก ถ้ามีปัญญามากก็มองแบบมันไม่ใช่เท่านี้นะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวปนิตรใกล้ไกลทั้งหมดนั้นตกอยู่ในสภาพแห่งชราและมรณะหมดเลยมันก็ทั้งหมดนี่ล้วนแต่อยู่ในโลกของสัพเพสังขารสังขารทุกชนิดผู้เนี่ยนะทุกขนทุกแห่งทุกพบทุกภูมิเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเมื่อสังขารในทุกขนทุกแห่งทุกพบภูมิเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็ โจทย์ที่ตั้งคุยตอนแรกก็คือใครที่เจริญอย่างนี้มากๆเอ๊ะทำไมมันนึกอะไรแล้วทําไมมันไม่ค่อยสดชื่นเลยเห็นสนุกสักอย่างคิดไปที่ไหนก็ไม่มีสนุกไม่มีเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตมันแห้งแล้งขึ้นนะทีนี้โจทย์ว่าเมื่อชีวิต เ, เมื่อมาคิดอย่างนี้แล้วชีวิตมันแห้งแล้งขึ้นน่ะทำยังไงนะที่อธิบายอันนี้คือตอบคําถามอันนั้นนะ มันก็ต้องมาคิดว่าในโลกของเนี่ยมหาพูดภาษายตนะหกขันห้าเนี่ยเป็นโลกที่มีภัยอยู่รอบด้านถ้าดับสิ่งนี้ได้อะไรปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะชรามรณะมหาพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีทุกถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งชรามรณะเหล่านี้มีอมิตรมีแต่เครื่องล่อเนี่ยนะ เหมือนกับว่ามันน่าอร่อยจริงแต่ว่าใครกลืนกินเนเี่ยเดือดร้อนหมดเรียกว่าเหยื่อของพญามารเทวปุตมามัจจุมารและกิเลสมาเป็นต้นเนี่ยท่านอมิดเครื่องลอกของพญามาเต็มไปหมดเลยงั้นถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้ก็หมดอมิดเนี่ยนะถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าใช้คําว่าอมิดนะถ้าใครเป็นนักตกเบ็ดมาเนี่ยจะเข้าใจชัดปลาที่ที่ปากแหว่งเป็นต้นกับปลาที่ถูกต้มส่วนหนึ่งก็เห็นแก่ อมิตรฉันใดนั่นแหะมันพวกที่เจริญวิปัสสนามากๆปัญญาก็เห็นว่าความเพลิดเพลินในสังขารทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรจากกลืนเหยื่อเข้าไปนั่นแหละต่นี้เขาบอกเขาไม่กลืนเหยื่อแล้วเขากลืนถนนหนทางกลืนเมืองอะไรเป็นต้นเนี่ยนะนี่นกลืนหนักมาก <c oughs> นั่นก็จะร้อนมากหน่อยทีนี้นพวกนี้เป็นโลกของสังขารสังขาร น, นี่ธรรมชาติของเขาคือตัวเขาเองจริงๆแะตัวหวั่นไหว ก็แม้กระทั่งร่างกายของเราเลยนะถามว่าทุกส่วนนิ่งหมดเลยดีไหมลองเอาเลือดมันอยู่นิ่งๆสักสามนาทีดีไหมสังเกบเลือดมันอยู่นิ่งสามนาทีเลย เ, ลกเกิดใหม่เลยนะ <c oughs> มันจริงๆแล้วมันวานไหวไหมดทุกอย่างมั น, ม, นมันมันมีการทำงานอยู่นะเพราะมันไม่มีการหยุดนิ่งโลกของสังขารจริงๆไม่มีการหยุดนิ่งวันก่อนพวกการเล่า ว, ว่า แม้แต่ทวีปเนี่ยมันยังเคลื่อนย้ายกันใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่นิ่งอย่างโลกเราเนี่ยนะโดยโด ย, โด ย, โดยธรรมชาติมันก็หมุนอยู่รอบตัวเองอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ทำไมเราเหมือนไม่รู้มีความรู้สึกเลยโลกอยู่นิ่งไม่ได้ไหมนิดหมุนรอบตัวเองเลยหมุนรอบตัวเองแล้วถามว่ามันเคลื่อนย้ายไปไหมไแต่ทำไมเราดูเอ๊ะทไมมันปกติหมดเลย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็นึกว่ามันนิ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีนิ่งแม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งวัยเนี่ยนะวัยวัยะคือความเสื่อมเนี่ยนะมันมันเสื่อมไปเรื่อยๆทุกอย่างมันโน้มไปสู่ความเสื่อมหมดเลยเมื่อกี้หมอยังบอกไอ้เครื่องบันทึกนี่มันเสื่อมเต็มทีแล้วว่างั้นก็มันจะบันทึกไม่ได้แล้วก็มันไม่เที่ยงอ่ะตัวที่บันทึก สังขารมันเป็นอย่างนี้แหละเรานี่ปกติของเขามันเป็นอย่างนี้ถ้าถ้ามันโอ้ยดีทุกอย่างเยี่ยมเหมือนเดิมหมดเลยให้รู้ว่ามันผิดปกติมากเขาบอกว่าตัวธรรมชาติที่ไม่ชารานะคือเนี่ยนิโรธอย่างเดียวที่เรียกว่าอัชรานิชราเนี่ยนะคือไม่ชราอันนี้ดีที่สุดสงบระ ง, งับดับสังขารเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นที่ที่คุณจุจินถามว่า มันวันไวยังไงสังขารทั้งหลายก็ดูนะถ้าถ้ามองในแง่รูปประคันในจะเห็นเอารูปประคันมาให้ดูนี่ในในโลกของรูปประคันเนี่ยเอายกตัวอย่างสีสีหน้าเนี่ยมันไวไหมใครตีสีหน้าได้คงทนได้ตลอดเลยนะคนนั้นคือคนตายนะถ้าสีหน้าปกติตลอดเลยใช่ไหม คนตาอย่างเดียวคนเป็นไม่มีใครวางสีหน้าได้ปกติหมดหรอกอ น, นะสีนี่ก็วันไหวใช่ไหมโดยที่สุดแม้แต่สีหน้าก็วันไหวต่อไปเสียงธรรมชาติของเสียงเนะี่ยอยู่คงที่ไหมคงทนไหมไม่กลนโดยเฉพาะร่างกายของเรานะที่ที่มันเนี่ย เ, าเราะมีการอาบการล้างอยู่อยู่บ่อยๆใช่ไหมถ้าไม่อาบไม่ล้างไม่แปรงฟันอะไรเลยเนี่ยนะ ไม้เคยรู้จักแล้วมันขึ้นรถเนี่ยแทบเราแทบจะลงรถเลยอ้อวกกระแตกให้ได้เลย <c oughs> ทรมานใจมาก <c oughs> นะท <c oughs> ่าวาโยท่ากับเริบเลยนะลมพัดขึ้นเมืองบนนี่กับเริบมากเลย <c oughs> ไมยอมอาบน้ำเมื่อกี่เดือนมาแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> เสียงเปลีนรถอะนะ <c oughs> รถล่ะถ้าใครสังเกตนะโดยที่สุดแม้แต่รถน้ําลายของเราก็เปลี่ยน <c oughs> แต่วันนี้เคยสังเกตไหม บางทีน้ำลายมันเหมือนขมๆยังไงไม่รู้บางวันก็เหมือนกับเอ้มันก็ดูหวานๆดีเหมือนกันบางท่าก็เจ็ดจื ด, จดอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆรถของน้ำลายมันก็โลกเอาโดยที่สุดแม้แต่รถน้ำลายก็เปลี่ยนและอะไรอีกโพธะะนะไอ้ที่ไม่ปวดเป็นต้นมันจะเริ่มปวดขึ้นมันก็วันไวเจตสิกทั้งหลายนะธัมมะเนี่ยคือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนไหมเดี๋ยวก็กุศลเจตสิกบ้างเดี๋ยวก็ อกุศลเจตสิกบ้างแล้วตัวที่มารับสนะีในโลกของตาของเราเนี่ยเราก็นึกว่ามันมันดีอยู่ตลอดไปใช่เหมือนกับมันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตาที่มาเห็นสีเนี่ยนะก็เนี่ยมันสั้นไปร้อยกว่าแล้วนะก็แสดงว่ามันมันเปลี่ยนเนี่ยนะหูมันก็ตึงขึ้นตึงขึ้น อันนี้อันเดียวที่ตึงขึ้นตึงขึ้นนั่นนะก็ชักไม่ค่อยได้ยินนแล้วจมูกล่ะนี่นะเพราะในโลกของตาหูจมูกลิ้นลิ้นนี่ก็บางคนก็มีปัญหามากขึ้นรับรสลําบากขึ้นทานอาหารไม่ค่อยอร่อยไม่อยากทานไม่อยากอะไรก็อายุมากๆนะไม่ค่อยอยากทาน่ะมันดีแล้วถ้าทานมากๆมันจะลำบากอกีก น, นะแต่ว่ามันก็ปรับเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วลิ้นอ่ะนะตัวลิ้นแล้วกายนะศีรษะที่ไม่เคยปวดมันก็ปวดคอที่ไม่เคยเมื่อยมันก็จะเมื่อยบ่าที่ไม่เคยเมื่อยมันก็จะเมื่อยหลังที่ไม่เคยปวดมันก็จะปวดแขนที่มันนี้ก็จะยกมันก็ต้องบีบคอยนวดประคบประงมมันอยู่นั่นแหละนะก็ดูผู้การเนี่ยนั่งนิ่งแล้วที่ไหนก็ต้องบีบต้องนวดต้องประคบประงมอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละรใช่ แล้วในโลกของมโนล่ะเอาโลกของความคิดล่ะโลกของความคิดเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนเท่าไหร่นี่ในส่วนของรูปขันนะมันวันไวขนาดนี้ในส่วนของวิญญาณขันเนี่ยวันไวขนาดไหนนามขันทั้งหลายเนี่ยวันไวขนาดไหนคือธรรมชาติของเขาเนี่ยมันมันหวันไวทีนี้ถ้าเราแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อ่ะก็คือแสวงหาความสุขที่ในสิ่งที่มันวันไวเปรียบเหมือนว่า อุปมานะอุปมาคิดอะไรมากเหมือนกับว่าคนปกติไปแต่งงานกับคนที่ผิดปกติอารมณ์แปรปรวนทุกๆสามนาทีเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเดือดร้อนมากเลยนะแต่ว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรินะของเราแปรปรวนทุกคนและทุกนาทีกันนะเออเดี๋ยวเราเ่ยเดี๋ยวก็ทวานตาเวทนาอย่างหนึ่งทวานหูเวทนาอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เฉยนะจริงจริงเราแปรปรวนทุกอารมณ์ จะว่าไปทุกขณะก็ไม่ผิดอะไร น, นะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งสภาพภายในตัวเราเป็นอย่างนี้เราสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจึงทุกข์ร้อนขนาดไหนหันใจของเขาก็เริ่มหลีกไปหาสิ่งที่มันมันสงบขึ้นแต่ถ้าไม่หลีกออกอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกข์มีพุทธศาสนานี่แหละที่สอนให้แก้ปัญหาด้วยการออกนะเนี่ย